บรรยายให้แก่ประธานใหญ่กองผ้าป่าวันนวการุสอนซึ่งเป็นวันที่วันคล้ายหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทเสโรบรรลุวิชาธรรมกายหลวงพ่อท่านได้กล่าวสมโมทนียกถาให้แก่ญาติโยมสาธุชนที่เป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าต่างๆกว่าหนึ่งคนได้รับฟังกันเพื่อเจริญศรัทธาประสาธะ เพิ่มความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในบุญกุศลที่สาธุชนเขามุ่งหน้าไปประกอบความเพนจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังเนื้อหาสารธรรมของหลวงพ่อที่ท่านได้กล่าวถึงให้สาธุชนนั้นตั้งใจละกิเลสนิวรเครื่องกลั้นปัญญาเพื่อที่จะทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่การดาเนินชีวิต ของเราโดยส่วนเดียวและต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังมาติดตามพร้อมๆกันนับบัดนี้นี่แหละการดำเนินชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมสุขทุกขไปตามกรรมแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงขึ้นชื่อว่าธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีวิญญาณครองมีชีวิตมีวิญญาณครองอย่างนี้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 ความลังเลสงสัยในธรรมะปฏิบัติให้รู้ทางปฏิบัติให้รู้คุณของธรรมะปฏิบัติตามที่เป็นจริงความหงุดหงิดขัดเคืองใจไปถึงโกรธพยาบาทให้จิตใจสงบอิ่มเอิบด้วยบุญกุศลความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจให้จิตใจสงบหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียว เหล่านี้เป็นต้นจิตใจจะบริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วพิจารณาสภาวะของสังขารอย่างนี้แหละที่กล่าวมานี้แหละทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองจะเห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงไม่ใช่จำเอานะเห็นด้วยปัญญาว่าไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย เกิดมาก็แก่เท่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงท้ายต้องตายลงต้องพลัดพรากจากสิ่งของหรือบุคคลที่เรารักเราหวงเห็นทั้งสิ้นอะไรที่เราว่าเรารักนั่นแหละพลัดพรากจากสิ่งนั้นเสมอไปอย่างน้อยที่สุดพลัดพรากจากตัวเองคือต้องตายลงท้ายตัวเองนี่ก็หมดสภาพ แตกกระจัดกระจายหาสภาพตัวตนเองไม่ได้ในเมื่อตนเองรักษาตนเองไว้อยู่เป็นที่พึ่งถาวรไม่ได้แล้วจะมีอะไรเป็นที่พึ่งถาวรแก่ท่านตรงนี้แหละเริ่มเห็นสัจธรรมคือความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นาน ใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าบุคคล น, นี้ตัวเราก็ดีตัวเขาก็ดีของเราก็ดีของเขาก็ดียึดได้วความหลงผิดว่ามีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกเลย คำว่าไม่ยึดไม่ได้ไหมายความว่าให้นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรหรือวิ่งหนีเข้าป่าไปไม่ใช่อย่างนั้นให้ทําความดีสูงสุดตามหน้าที่รับผิดชอบของตนในฐานะที่เป็นคนมีหน้าที่รับผิดชอบตามฐานะต่างๆกันอย่างไรอย่างไรแล้วพอใจในผลงานนั้นและ ถ้าแม่นมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่ต้องเดือดร้อนทุรนทุรายให้มันมากใจสงบระงับแล้วนั่นแหละเป็นสุขเพราะเห็นสัจธรรมว่าไม่มีอะไรเป็นของใครที่เที่ยงแท้แน่นอนเลยแม้แต่ตัวเราเองก็รักษาไว้ไม่ได้ลงท้ายต้องแตกกระจัดกระจายหมดสภาพเดิมของมันไปหมด หาอะไรเป็นของใครไม่ได้เลยแปลว่าหาเจ้าของที่แท้จริงก็ไม่ได้ท่านนั่งพิจารณาดูให้ดีนะใจสงบสงบทั้งหมดที่ท่านทำหมดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีอะไรที่เป็นแก่นสารให้ท่านพึ่งได้ตลอดไปได้มีไหมเมื่อท่านพิจารณาเห็นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้หมดอะไรตตยอยากนะ แต่ให้หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระธรรมวิเศษเมื่อท่านทรงเห็นสัจธรรมอย่างนี้ว่าเมื่อมีเกิดแก่เจ็บตายมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนชื่อว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้แล้ว ถ้าทรงเห็นเพียงเท่านี้คงไม่ต้องไปบำเพ็ญบารมีตั้งสี่อสงไขยกระแสนกักบทรงบำเพญ็ญทุกกรกิริยาจนแทบเอาชีวิตไม่รอดเพื่อบรรลุโมกะธรรมคือความพ้นทุกขอย่างทาวรถึงบรมสุขแปลว่าต้องมีอีกธรรมชาติหนึ่งที่เป็นธรรมชาติเที่ยง เป็นอมตะธรรมสภาพยั่งยืนตลอดไปเมื่อใครเข้าถึงรู้เห็นแล้วเป็นแล้วเป็นบรมสุขธรรมชาตินั้นมีไหมในพระพุทธศาสนามีธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกันซึ่งอัตมาจะกล่าวโดยย่อบุญกุศลอย่างไงล่ะ ที่เจริญแก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีปรมั m a บารมีด้วยศีลกุศลทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นให้เจริญแก่กล้าเป็นศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานั่นศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งถึงปฐมมรรคมรรจิตมรรปัญญา ถึงธรรมโคตรภูพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาถึงพระอรหันต์แม้ถึงตรัสรู้เป็นพระพุธธทธเจ้าธรรมชาตินั้นมีอยู่ในที่สุดละเอียดที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมถูกวิธีคืออริมักในองค์แปดแล้วสามารถจะเข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้ ธรรมชาตินั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองเรียกธรรมชาตินั้นของพระองค์เองว่ากล่าวโดยย่อนะเราตถาคตคือธรรมกายคือธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสัจธรรมนี่มีอยู่ ที่กล่าวในเบื้องต้นว่าเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าสังขารที่มีวิญญาณครองเชื่อชื่ออุปาทินากาสังขารไม่มีวิญญาณครองไม่มีชีวิตชื่อว่าอนุปาทินากาสังขารหมดทั่วทั้งจักรวาลนี้รวมทั้งพระวรกายเนื้อของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยของใครๆทั้งหมดด้วยชื่อว่าสังขาร มีสภาพตามธรรมชาติที่เป็นเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าวิสังขารหรืออสังกตาธาตุอสังกตธรรมคือธาตุธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนที่บริสุทธิ์พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรม ถึงสีอสงไขยกับแสนกับได้ทรงบรรลุแล้วและตรัสว่าธรรมกายโยอีตีปีเราตถาคตคือธรรมกายธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นอมตะธรรมมีสภาพที่เทียงเป็นบรมสุขใครเข้าถึงรู้เห็นและเป็นและบรมสุขมีสภาพธรรมชาติที่ยั่งยืน มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนเพราะไม่ต้องตายจะตายแต่เพียงเบนจะขันคือขันห้าที่ได้ยกตัวอย่างไว้ในเบื้องตน้นเท่านั้นแต่ในส่วนธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานรวมเรียกว่าพระนิพพานทาตแล้วไม่ตายธรรมชาตินั้นแหละผู้มีปัญญาพึงศึกษาให้เข้าใจปฏิบัติให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นด้วยตนเอง จะเป็นทางให้เข้าถึงอมตะธรรมที่เป็นบรมสุขและที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงในระหว่างปฏิบัติย่อมมีสภาวะที่เป็นการงดเว้นละเว้นความชั่วบาปอากุศลทางกายทางวาจาด้วยการรักษาศีลและอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง จนถึงกำจัดกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาออกจากจิตใจได้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานแล้วพิจารณาสภาวะธรรมชาติทั้งที่ชื่อว่าสังขารให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรและให้เห็นไปถึงอริยสัจธรรมคือความจริงอย่างประเสริฐทั้งสี่ประการคือ ความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับก็คือมรรคผลนิพพานนั้นน่นแหละและผลทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างถาวรให้ถึงบรมสุขอย่างถาวรได้นี่ถ้าได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินชีวิตตนไปอย่างนี้ให้ได้ผลตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติอย่างนั้นแล้ว ในระหว่างการดำเนินชีวิตนี่แทบจะกล่าวได้เลยว่าตกต่ำไม่เป็นคือว่าถ้าแม้เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมเก่าจะตกต่ำบ้างก็สามารถจะพลิกฟื้นคืนตัวได้เร็วยิ่งกว่าการที่ไม่รู้สัจธรรมไม่รู้พระสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่รู้เหตุแห่งความทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งความสุขดำเนินชีวิตไปอย่างเปรๆเปะยปาปะหลงทางผิดทางเหมือนคนส่วนมากในยุคนี้ด้วยอำนาจของอวิชชาคือความมืดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงก็ดำเนินชีวิตไปได้วยความประมาทขาดสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันในทางเจริญทางเสื่อมหลงทางผิดทาง ไปในทางบาปอาุิษให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนถ้าว่ารู้พระสัจธรรมนี้แล้วก็สามารถดำเนินชีวิตไปสู่แนวทางที่เป็นความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้และต้องไม่ลืมว่าชีวิตนี้สั้นนะถ้าว่าใครยังหลงประมาทมัวเมาในชีวิตหลงพลัดวันประกันพรุ่ง ว่าเอาไว้เมื่อนั่นเมื่อนีเถอะเอาไว้ให้แก่ก่อนเถอะถึงจะเข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างนั้นแล้วเป็นความเข้าใจผิดเพราะความตายย่อมเกิดแก่ใครได้ทุกเมื่อไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่มีใครกำหนดได้ถ้าว่าชวยว่าท่านใดที่ต้องตายลงในขณะที่ไม่ได้ทำความดีเพื่อหาที่พึ่งแก่ตนเอง หาสเสบียงเลี้ยงตัวแก่ตนเองให้เพียงพอกว่าการที่หลงคิดผิดรู้ผิดทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดผิดหลงตามคนอื่นผิดผิดแล้วถ่าหลงประมาทมัวเมาในชีวิตแล้วช่วยว่าต้องมีอันเป็นไปอย่างนั้นชีวิตของท่านชีวิตนี้ก็เป็นหมันและกลับจะได้รับโทษ ความทุกข์เดือดร้อนด้วยอำนาจของกรรมนั้นน น, นรกสวรรค์มีจริงท่านไม่ต้องสงสยัยท่านมาปฏิบัติที่นี่ถ้าใครปฏิบัติถึงธรรมกายจะเห็นชัดแจ้งด้วยตนเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้ประมาทที่มาที่นี่แล้วอย่าได้ประมาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกูหลักผู้ใหญ่ซึ่งแน่ละมีฐานะดีมีฐานะสูงทุกฐานะ แตสิ่งหนึ่งท่านเอาชนะไม่ได้คือความตายและเอาชนะไม่ได้ก็คือฝื้นกฎแห่งกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นทางออกมีประตูเดียวสําหรับผู้มีปัญญาทําดีแล้วเร่งทํำดังที่ท่านได้มานี้อาตมาภาพจึงขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งท่านมานี้เริ่มต้นด้วยการรักษาศีล น, นี่แหละศีแลแศิกขาการศึกษาอบรมในเรื่องศีล ศึกษาอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษดังที่ท่านนั่งฟังเงียบกริบอยู่เนี่ยอันนี้ต้องขออนุโมทนานี่แหละกายวาจาที่เรียบร้อยดีไม่มีโทษแล้วอบรมจิตใ ห, ให้สงบให้หยุดให้นิ่งเหมือนอย่างท่านกําลังฟังธรรมอยู่ณบัดนี้ใจท่านส่งตามพระธรรมนี้ท่านก็ได้ความสงบและได้รู้ต่อไปว่ากรรมดีที่ท่านทำ ศีลกุศลหนึ่งทานกุศลหนึ่งภาวนากุศลใจสงบหนึ่งและเกิดปัญญาจากการฟังธรรมหนึ่งเป็นมหากุศลที่จะติดตามให้ผลแก่ท่านนับภพบนับชาติไม่ทวนเป็นพระวะปัจจัยแก่ท่านทั้งหลายให้ถึงความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทานกุศลเรื่องเดียวที่ท่านได้มาตั้งใจขนขวายการบุญการกุศลได้รวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยมาถวายที่วัดนี้วัดนี้เอาไปใช้ทำอะไรเอาไปใช้ในการให้การศึกษาอบรมทางภาคปริยัติธรรมและภาคปฏิบัติพระสัตธรรม ทั้งภายในวัดและภายนอกวัดทั้งบุคคลภายในวัดและทั้งบุคคลทั่วประเทศและขยายทั่วไปยังต่างประเทศเท่าที่ทำได้เงินของท่านทุกบาททุกสตางค์จึงเป็นคุณประโยชน์ในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งชื่อว่าอามิตรสถานทานด้วยทรัพย์สิ่งของมีปัจจัยสี่เป็นต้น เหล่านี้ไปเป็นปัจใจสี่และประการที่สองธรรมทานเป็นเครื่องธรรมุบำรุงการให้การศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมะนี้เป็นธรรมทานจำเพาะแต่อามิสสถานนั้นได้มีปรากฏตามพระพุทธดำรัสมีมาใน ทักนาวิพังกสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าให้ทานด้วยประสงค์การอนุเคราะห์ผู้อื่นและการบูชาอย่างเช่นบูชาพระรัตนตรัยอย่างนี้<ม>เพียงให้แกสัตว์ในรชานอิ่มหนึ่ง ได้อานิสงส์ร้อยเท่าคือได้อานิสงส์เกิดพบชาติใดจะได้เป็นผู้มีอายุยืนมีวันนะฐานะที่สูงสุ ข, ขะความสุขด้วยโภกยะทรัพย์ภระสุขภาพพลานามัยดีและปฏิพาน มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอีกในหนึ่งก็คือจะได้จเจริญด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและคุณสมบัติคือได้ทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมอย่างละหนึ่งรอัตภาพคืออย่างละหนึ่งยชาติอาจจะปรากฏขึ้นพร้อมกันหลายๆอย่าง หรือแต่ละอย่างก็ได้และนอกจากนั้นท่านทั้งหลายหากจะนับว่าให้ทานเช่นนี้แก่ผู้ที่มีศีลมีธรรมนั่นย่อมได้อานิสงส์นับประมาณไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่ผู้ที่ กำลังศึกษาปฏิบัติธรรมให้การศึกษาอบรมให้ถึงความเป็นพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นนั่นอานิสงส์นับประมาณไม่ได้เลยนับประมาณไม่ได้เลยนี่ว่าแต่เฉพาะอามิสสถานส่วนธรรมทานนั้นย่อมได้อานิสงส์เป็นเลิศกว่าทานใดๆนี่แหละท่านทั้งหลายได้มาทาบุญทำกุศลแล้วได้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอิ่มใจในบุญกุศลที่ท่านได้ทำเพราะฉะนั้นอาตมาภามีความยินดีขออนุโมทนาสาธุการด้วยและขออานาจคุณประสีรัตน์ไตรจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองทุกท่านให้ปราศ จ, จากความทุกโศกโรคภัยสัพพอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวง ยงมีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในประสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจาการงานโดยชอบสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงนิพพานสมบัติมีมรสีผลสีและนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานทึนอูชาจะอูชนียานัง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 ตั้งแต่เวลาแปดนาฬกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคล สาธาชนกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสุสันติที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโอที่บรรยายไว้เนื่องในวันงานทอดพระ ป, ป่าวันนวกานุศน์ซึ่งเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําได้บรรลุวิชาธรรมกายเมื่อ80กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเป็นวันที่ พระคุณท่านได้เข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นธรรมกายแล้วนำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้แก่สิทธยานุสิ์ในวันเพ็ญเดือน10ปีพุทธศักราช2460ที่ผ่านมาก็นับปีนี้ก็ประมาณ81ปีที่ผ่านมาแล้วสาธุชนก็คงจะได้รับฟังเนื้อหาสารธรรมะที่เป็นประโยชน์ แก่การประพฤติปฏิบัติดำรงตนให้อยู่ในศีลในธรรมในข้อปฏิบัติไม่ว่าท่านจะอยู่ในภูมิภาคใดธรรมะนั้นเป็นของกลางๆเป็นของพุทธศาสนิกชนของบุคคลผู้มีปัญญาที่เข้ามาศึกษาและปฏิบัติเพื่อที่จะได้เข้าถึงแก่นสารสาระเนื้อหาของธรรมะอย่างแท้จริง โอกาสหน้าทางรายการก็จะได้นำธรรมะที่เป็นสาระเช่นนี้มาฝากท่านสาธุชนเพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจถึงแก่นสารสาระของการประพฤติปฏิบัติ ด, ดำรงตนนั่นเองสำหรับรายการธรรมะสุสันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมะบรรยายจากทางรายการได้ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญปราศจากภัยพิบัติโกรคาพาด ท, ทั้งปวงมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลละนานเทินเจริญพร